2. รู้อยู่ว่าเขาห่วงแหน 3. จิตคิดจะรักสีมีความพยายาม 5. ้รักของได้ด้วยความพยายามนั้นสีลข้อ3กาเมสุมิชฉาจารมีองค์ีคือ 1. อึอคมนียวัตถุได้แก่สตรีหรือบุรุษที่ไม่ควรละเมิด 2. จิตคิดจะเสพ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 มีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์ดุร้ายเป็นต้น 2. ขนาดกายสำหรับสัตว์จำพวกเดรัจฉานที่ไม่มีคุณเหมือนกันฆ่าสัตว์ใหญ่มีโทษมากฆ่าสัตว์เล็กมีโทษน้อย 3. ความพยายามมีความพยายามมากในการฆ่ามีโทษมากมีความพยายามน้อยมีโทษน้อย 4. กิเลสหรือเจตนา